พระบัญญัติ6 5รก็ภิกษุจบัรษาแล้วหวังจะอยู่ในเสนาสนาป่าที่รู้กันว่านหน้ามากระแว้งมีไทยหน้าตัวเช่นนั้นจนถึงวันเพ็ญเดือน12พึงเก็บไตรจีวรเพิ่นได้เพิ่นหนึ่งไว้ในละแวกบ้านได้และภิกษุนั้นควรมีปัจจัยบางอย่างเพื่อการอยู่ปราศจากจีวรนั้นภิกษุนั้นพึงอยู่ปราศจากจีวรนั้นได้หกเคินเป็นอย่างมาก ถ้าอยู่ปลาสจากเกินกว่ากำหนดนั้นต้องอาบัณนิสารคีย์ปาจิตตีเป็นไว้แต่ภิกษุผู้ได้รับสมมุติเรื่องภิกษุหลายรูปจบ